อาตมาชอบอ่านหนังสือนะแล้วก็หนังสือประเภทนึงที่ชอบอ่านคือหนังสืองานศพโดยเฉพาะหนังสือที่เขาพูดถึงประวัติของผู้ตายรวมทั้งความรู้สึกของผู้เหยียงอยู่ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับผู้ตายถึงแม้ว่าประวัติของผู้ตาย หรือว่าบทความที่ลํำลึกถึงผู้ตายเนี่ยบางครั้งจ ะ, ะเต็มไปด้วยคำชื่นชมสรรเสริญแต่ว่าถ้าดูดีๆมันก็ให้แง่คิดอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับชีวิตอย่างแรกที่จมาได้ ก็คืออุคลิกลักษณะของผู้ตายซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะเพราะว่ามนสะท้อนคุณธรรมซึ่งมันก็ให้แรงบันดาลใจได้เพราะแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีมีด้านดีของเขานะ ซึ่งถ้าหากว่าเราได้เก็บเกี่ยวเนี่ยมันก็ทำให้มันก็ถือเป็นธรรมะอย่างหนึง่งอีกอย่างนึงก็คือว่ามันได้เห็นถึงความไม่จรังหลังชีวิตอันนี้เป็นภาพกว้างแลบางคนนี่เขาก็ ประสบความสำเร็จมีความรุ่งเรืองนะแต่ว่าบ้านปลายชีวิตก็พล้มเหลวหรืวประสบความตกต่ำอันนี้บางทีก็เห็นได้นะจากปลอดชีวิตของผู้ตายทั้งที่ผู้เคียร์เนี่ยก็อาจจะไม่อยากจะเน้นในส่วนนี้เท่าไหร่โดยเพราะ เวลาได้เห็นภาพนะของผู้ตายเนี่ยหนังสรองานศ ก, ก็จะมีภาพตั้งแต่ยังเด็กยังหนุมยังสาวในช่วงวัยชั ก, กันในช่วงที่ประสบความสำเร็จในชีวิตช่วงขาขึ้นแล้วก็พอถึงวัยชาราซึ่งก็เป็นช่วงขาลงแล้วก็สุดท้ายก็เป็นภาพอ่า ลูกหลานถ่ายลูกนะต่อหน้าหีบศพของเขาเนี่ยทั้หนั้งก็ได้เป็นการเจริญมรรคสติไปไ ด, ด้วยแต่งสืองานศพแบบนี้เนี่ยไม่ต้องเป็นงสือที่เขาพูดผู้ผู้ทาเนี่ยเขาตั้งใจทํานะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยกขามักจะมีเวลานะร้อยวันนะถึงค่อยเผาประเภท ห้าวันเผาเจ็ดวันเผาเนี่นะหนังสือแบบนี้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าเราก็จะมาพึ่งพฤติการนะขอซื้อหนังสือพุทาไปแจกจนะีแต่เจ้าภาพนจะไม่มีเวลาเขียนนะยู่เวลาที่สำคัญจริงๆเนี่ยนะเจ้าภาพก็จ ะ, ะมีเวลาเขียนประวัติแล้วก็ให้ลูกหลานเนี่ยเขียนรำลึกถึงอะไรมาก็ชอบอ่านนะประเภท บทความประเภทอินเทชันหรือ Appreciation เนี่ยนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เป็นประวัติแบบบิโอกราฟีนะหรือที่บางทีเป็นเขาเรียกว่าฮิจูกราฟีคือว่าประเภทสารสนเทศยนยอแต่ว่าประ i ภทอินเทชัน p อปพลิเคชันเนี่ยนะซึ่งบางทีก็หน้าเดียวบางทีก็สองหน้านมันก็มีอะไรดีๆเยอะ ทำให้ได้เห็นบุคลิกลักษณะคนนะซึ่งน่าเรียนรู้เนี่ ย, น, ย น, นี่ก็คือสิ่งที่นำมาได้จากหนังสืองานวบแล้วก็ก็ไม่เคยเบื่อนะอโดยเพราะหนังสือที่ผู้เจ้าภาพเนี่ยเามีเวลาเขียนประวัตินานก็จะอา่านบันทีก็ไม่ได้อ่านแบบและเอียด น, นะอ่านแบบอ่านแบบคร่าวๆมันก็เห็นสเก็ตภาพของลอดของเขา มันทีก็จะเห็นยุกเห็นยุกสมัยนเห็นยุคสมัยโดยเพราะคนตายที่เขาจะไม่อาจะเป็นนักธุรกิจหรือว่าจะเป็นวิศวกรหรือว่าสถาปนิกเนี่ยพอเราอ่านเนี่ยเราก็จะได้เห็นพัฒนาการของบ้านเมืองนะธรมมาเป็นคนที่สนใจปราชา ก็อยากจะรู้ว่าคนรุ่นรนพ่อเนี่ยรุ่นปู่เนี่ยคือส่วนใหญ่หนังสือแบบนี้ก็เป็นคนที่รุ่นก่อนตัวเองอันนี้พูดถึงประสบการณ์ที่อ่านแต่สมัยยังหนุ่มนะสมัยนี้หนังสืองานสดที่ตัวเอง <c oughs> อ่านนี่มันก็คน ร, รุ่นเดียวกันแล้วหกสิบเนี่ยหกสิบกว่าเจ็ดสิบอ่าไอ้เรื่องของสังคมเนี่ยอาจจะไม่เคยได้เห็นยกยกุยกยกแต่ว่าเจ้าคนตายเนี่ยเขาเป็นคนต่างจังหวัดเราก็ได้เห็น สังคมนะชนตำบดนะเรื่องการก่อร่างสร้างตัวในสมัยที่ยังไม่มีไฟฟ้านะการพัฒนา ย, ยังไม่ทั่วถึงเนี่ยก็จะเห็นวัยเด็กของเขาเอามาเพลินนะอ่านพวกนีนะ้อันนี้ไม่นําหนังสืองานศพที่ปราสมัยก่อนเขียนอย่างเช่นกรมพิจารณาตำบดกมพิจารณาตำบดนเขียนหนัน ง, งนนสืองานเขียนเขประวัติคนเนี่ยได้น่าอ่านมากนะกมพิจารณาตในธรรมาก็ชอบนะ ชอบอ่านประวัติบุคคลที่ท่านเขียนพระยานุ ม, มารชทนสสิวรักษ์เนี่ยโดยพ่อจาจะสุรักษนี่อ่าอ่านแล้วเพลินนะ mm hmm. ก็ยังสงสัยว่าอาจารมีมีแง่มุมในการในการในการจับบุคลคลเรียกลักษณ์ลักษณ์นคนเนี่ยมาม า, มาเขียนมาเล่า <c oughs> ถ้าใครไม่ชอบอ่านพวกประวัติบุคคลในตมาว่าลองลองอ่านดูนะมัน มันทำให้เราได้นอกจากเกิดความเพลนะิดเพลินนะโดยเพราะการเขียนที่ที่สวยงามแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นชีวิตได้เห็นความเป็นความไม่จรังของชีวิตนะเพราะว่าสุดท้ายทุกคนเนี่ยก็ต้องตายนะไม่ว่าจะไม่ว่าจะขึ้นเท่าไหร่เนี่ยสุดแท้ก็ต้องลง มันก็เป็นการเจริญร้อนนัสติไปในตัวนอกเหนือจากการที่ได้เหตุธรรม ะ, ะที่น่าสนใจของบุคคลตอนนี้เนี่ยเร า, าเรามาวันนี้ น, นะเราก็มาเพื่อที่จะมาะหลายคนตั้งใจที่จะมาทาหนังสืองานศพของตัวเองก็ดีนะของคนอื่นก็ดีเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ทำํำเฉยแต่ว่าเขียนด้วย พูดถึงการเขียนเนี่ยทามว่ามันมันช่วยนะอย่าว่าแต่หนังสือว่าอย่าว่าจะเขียนอะไรนะเขียนแค่ไดอารี่เนี่ยเขียนแค่บันทึกเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราได้คร้ควรชีวิตของเราในแต่ละวันหรือในแต่ละปีหรือในช่วงชีวิตมันเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้ไต่ตรองได้ได้ทำความเข้าใจเกี่ยกับตัวเองบางทีมันเป็นการช่วย ช่วยช่วยคลี่คลายอารมณ์ได้ด้วยเพราะว่าตอนที่เราเขียนเนี่ยเรากำลังยัเหมือนกับม า, เรามา เ, ามเรามาเฝ้ามองเราเฝ้ามองเหตุการณ์ที่ผ่านไปในแต่ละวันบางครั้งมีความเศร้าบ้งมีความโกรธเนี่ยมันก็ได้เห็นอารมณ์ของตัวนะเป็นวิธีการในการกลับมาดูใจของตัวอย่างหนึง่งนะซึ่งมันก็มันก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึง่งนะ ถ้าว่าเราเร า, เรามองเนี่ยไม่ใช่เรามองแล้วเราจมอยู่ในอารมณ์นะมันก็ทำให้เราเนี่ยได้ได้เห็นตัวเรานะซึ่งอาจจะทำให้ได้สติขึ้นมานะในวันนั้นเราจะโกรธเราจะเศร้าเราจะกราดเกลียวะ grill, นะแต่พอเรายอมไปเรืลึกนึกถึงเนี่ยมันอาจทำให้เราได้เกิดสติขึ้นมาแล้วก็ จ, จะได้เห็นว่าเออเรา เราทำอะไรที่ผิดพลาดบ้างอะไรที่เราควรทาบ้าง น, ะนี่อันนี้คือประโยชน์ง่ายๆของไดอารี่นะผมบันทึกประจำวันซึ่งอาตมาก็ก็ทำอยู่ทุกวันนะแต่ว่าตอนหลังก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะเขียนละเอียดนะแต่ว่ามันมันเป็นอการที่ทำให้เรากลับมาเฝ้าดูตัวเองไม่ใช่แค่ทำแต่ว่ารู้สึกอย่างไรนะแล้วมันก็ทำให้เราคลี่คลายจากอารมบนั้นได้ ตอนนี้การเขียนเรื่องชีวิตเนี่ยนะการเขียนเรื่องชีวิตของตัวเนี่ยในในในระยะในในช่วงเวลาที่ยาวเนี่ยนะเช่นอาจจะเขียนเชื่ อ, องตัวเองในวัยเด็กหรือว่าอาจจะเขียนเชื่ อ, องตัวเองตั้งแต่ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยธรรมาว่ามันมันมันเป็นโอกาสนะที่ทําให้เราได้ได้ได้เห็นนะได้ ได้เห็นว่าในด้านหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรที่เราภาคภูมิใจมันมีอะไรที่เป็นความสำเร็จมันมีอะไรที่เรานะรู้สึกพึงพอใจให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่มีประโยชน์นะมันไม่ใช่มันมันในแง่หนึ่งนะถ้าพูดถึงเรื่องความตายมันทำให้เราเนี่ยพร้อมตายได้มากขึ้นคนเราเนี่ยจะจะพร้อมตายเนี่ยส่วนก็เพราะว่า ภาคภูมิใจกับชีวิตที่ผ่านมาคนที่หลายคนตายสงบเนี่ย <c oughs> เมื่อลูกหลานได้มาพูดถึงว่าเขาภาคภูมิใจผู้ป่วยอย่างไรบ้างเนี่ยคนเวลาใกล้ตายเนี่ยเขาจะมันจะความรู้สึกจะเป็นเป็นในทางลบมากเพราะมีทุกขเวทนาคนเราพอปวดพอพอเก็บแล้วเนี่ยมันมองอะไรเนี่ยมันมักจะมองเป็นลบได้ง่าย แต่พอมีใครมาพูดถึงว่าเราเนี่ยได้ทำความดีอะไรบ้างเนี่ยก็ประทับใจเราอย่างไรบ้างเนี่ยนะมันทำให้ผู้ป่วยเนี่ยรู้สึกว่าเกิดความภาคภูมิใจในชีวิตที่ผ่านมาซึ่งตรงเนี้มันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นต้นทุนที่ทำให้พร้อมตายได้นะแต่ว่าเราไม่ต้องรอให้ให้ใครมาพูดนะเราเราทบทวนแล้วเราก็เกิดความเห็นเออว่า เราพลั ง, งชีวิตที่ผ่านมาจากอดีตสึงปัจจุบันเนี่ยเราไม่เสียชาติเกิดนะตรงเนี้มันมันทำให้ถึงเวลาจะถึงเวลาจะเจ็บป่วยถึงเวลาอย่าว่าอย่าว่าจะใกล้าตายเลยในอาชีที่เราตกต่ำย่ำแย่เนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยมีกําลังที่จะที่จะฟันฝสาประสักได้นะขณะเดียกันเนี่ ย, นนยคนเราเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มีแต่ความสําเร็จใช่ไหมมันก็มี มันก็มีสิ่งที่เราขาดตกบกพร่องไอ้การที่เราทบทวนในชีวิตผ่านมาเนี่ยมันเป็นโอกาสให้เราได้หยุดคิดแล้วพอเราพอเราได้ยุคิดเนี่ยเราก็เห็นว่าก็จะพบว่าเออเรามีอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้ทําที่สมควรทําซึ่งตรงนี้มันทําให้เราได้สติแล้วถ้าเราเขียนตอนที่เรายังมีสุขภาพดีเนี่ยมันก็ทําให้เร า, ารู้ว่าอะไรที่เราควรจะทําควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่าไปรอให้มา มามะลึกได้ตอนจะตายแนละ้ว อ, อยู่บนเตียงนเนี่ยค่อยมาลึกได้ว่าเรายังเราไม่ให้เราละทิ้งคนบางคนเราไม่มีเวลาให้กับพ่อแม่นะเราไม่มีเวลาให้กับลูกเลยเราเอาอแต่ทา ง, งานหลายคนเนี่ยมาเกิดความเสียใจเนี่ยตอนที่อยู่บนเตียงนะนแต่ว่าเราจะถ้าเรารู้จักหมั่นพิจารณาชีวิเราเนี่ยด้วยการขีดเขียนเนี่ย การคิดเขียนมันดีดีกว่าคิดเอาดีดีกว่าดีกว่าการคิดเอานี่ว่ามันมันเวลาเขียนมันช้านะมันช้ามันต้องใคร่ครวนกว่าจะปั้นคำนะกว่าจะแต่งประโยคนี่นะมันก็เปิดการเราได้พิจารณาช่วยได้จริงจังมากขึ้นนะถ้าเราแค่นั่งคิดเอานี่เราเราย้อนชีวิตผ่านมาเนี่ยมันบางทีมันมันไม่มีรายละเอียดนะแต่พอเราเริ่มเขียนชื่อเราเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เป็นนักเรียน ตัแต่เด็กเป็นนักเรี่ยนเนี่ยบางทีบางแบบเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ้เราเราพลาดไปตรงนั้นเราไม่น่าทําเลยนะมันก็ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวแก้ไขหรือทําใจจนะขอทั่วขอโพยเนี่ย ก, ก, ก็มีโอกาสเพ่าะฉะนั้นในการกา ร, การเขียนการการเขียนชีวิอของตัวเองเนี่ยมันมันเป็นโอกาสในการเชื่อทบทวนชีวิตประจำวัน และในกระบวนการต่งางๆเนี่ยมันจะทำให้เราได้เห็น ค, ความไม่กีฬาของชีวิตโอ้ตอนเด็กๆนี่เราเล่นกีฬาเนะเล่นได้ทั้งวั น, นตอนนี้วิ่งก็วิ่งไม่ค่อยไดนะ้โอ้มันก็ได้เห็นนะสมัยก่อนนี่เราเราเรามีความสุขกับเรื่องที่มันไม่ไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะคือความสุขกับเรื่องง่ายๆนะได้กินขนมได้กินกล้วยทอด ก็มีความสุขแล้วเดี๋ยวนี้กินกล้วยทอดมีความสุขมาเราสุดความสุขเรากลายเป็ น, นปเรื่องยากมากขึ้นใช่ไหมต้องของอาเก็นดาซือว่าอะไรพวกนี้ยป็ตัวอย่างนะเ <c oughs> ออมันได้เห็นนะเห็นถึงความความไม่จริงังชีวิตเหถึงความความแปรเปลี่ยนไปซึ่งพคนนี้เนี่ยมันมันรู้แหละจะเป็นเครื่องเจรินเครื่องเครื่องสิ่งเตือนใจให้เราเนี่ยอ พร้อมรับความตายได้มากขึ้นในทองเดียวกันในการที่เราได้เขียนถึงคนอื่นถึงคนรักที่จากไปเนี่ยอาตมาว่ามันก็มีส่วนนะในการช่วยเยียวยาหลายคนเนี่ยนะเวลาคนที่รักจากไปก็เศร้าโศกเสียใจเพราะเราคิดถึงแต่ความสูญเสียแล้วคิดถึงที่ถึงแต่การจากพรากแต่เมื่ อ, เ ม, อเมื่อเราเนี่ยเริ่มเขียนนะ เราก็จะเริ่มนึกถึงความดีของเขาความรู้สึกประทับใจในเหตุการณ์ต่างๆคนละนี่พอเราพอเรานึกถึงความดีนะของใครก็ตามเนี่ยมันทําให้เราเกิดแรงบันดาลใจทําให้เกิดกุศลธรรมขึ้นมาในใจนะเกิดความปิติไอ้พวกนี้เป็นกุศลธรรมนะซึ่งมันจะช่วยเบียดขับไอ้ความเศร้าโศกให้ออกไปจากใจได้อาตมาชี้ว่าเป็นการเยียวยาตัวเอง คิดถึงแม่คิดถึงพ่อแล้วเราก็นึกถึงความดีของเขาแล้วเราก็เขียนถ่ายทอดออกมานะไม่ช่วยทำให้ใจเราเนี่ยเกิดติดติ ด, ตดนะเกิดความซาบซึง้งแล้วพอซาบซึ้งแล้วเนี่ยนะความความเศร้าความความอาลัยเนี่ยมันก็เข้ามาได้น้อยลงเข้ามาในจิตใจเราได้น้อยลงมันะเป็นการเยียวยาตัวเองอย่างหนึ่งนะ ซึ่งช่วยทำให้ใคลายจากความเศร้าโศกได้แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันมันมันก็เป็นแค่ส่วนประกอบนะส่วนประกอบมันจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเราเราเราได้ระลึกถึงความตายไม่ว่าของเราหรือของคนที่เรารักเนี่ยแต่นนเนินเนน นะในขณะที่เรายังมีสุขภาพดีในขณะที่เขาเนี่ยยังไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะว่าเมื่อเราเราลึกถึงแล้วเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราลึกถึงคนที่เขานึกถึงพ่อแม่เนี่ยลึกถึงนึกถึ ง, น, ถงนึกถึงความตายของท่านเนี่ยขณะที่ท่านยังไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเกิดความตระหนักนะเกิดความตื่นตัว ในการที่จะทําความดีให้ให้กับท่านนะหลายคนเนี่ยมา น, นึกมา น, นึกถึงเรื่องนี้เนี่ยก็ตอนที่ท่านเจ็บท่านป่วยแล้วนะอยากจะพาท่านไปเที่ยวก็ไปไม่ได้นะบางทีพ่อหรือบางทีแม่ี่ยก็บอกว่าเนี่ยอยากจะให้อยากจะให้ลูกพาไปเที่ยวนะไปเที่ยวภูเก็ตหรือไปเที่ยวต่างประเทศไอเราก็บอกว่าเราไม่ยังไม่มีเวลานะ แต่พอท่านล้มป่วยเลยเนี่ยถึงค่อยนึกได้ว่าโอ้แม่เคยพูดพ่อเคยพูดแต่ทาอะไรไม่ได้แนละ้วแต่ถ้าเกิดว่าเราตระหนักว่าเออพ่อแม่เราสักวันหนี่งจะต้องตายนะเราเราลึกถึงความจริงอันนี้เนี่ยในขณะที่ท่านยังมีสุขภาพดีนะอันนี้ไม่ใช่การแช่งนะถ้าเกิดว่าเรานึกแล้วเนี่ยทําให้เกิดความไม่ประมาท ผู้เจ้าตัดว่าเนี่ยความไม่ประมาทในทางทั้งปวงเนี่ยเป็นมงคลสูงสุดอนะตอนเรารู้เออตอนที่แม่ยุยง 50, 60, นะังห้าสิบหกสิบนะเราเน้นว่าสักวันหนึ่งแม่ก็ต้องตายจากไปนะหลายคนไม่กล้า น, นึกนะแล้วก็ไม่อยากจะนึกเหมือกับหลายคนเนี่ยไม่อยากจะนึกว่าสักวันในหลวงยังต้องสวรรคตนะพูดไม่ได้พอพูดไม่ได้แล้วนะพอเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก็ ก็ทำใจไม่ได้นะแต่กรณีของในหลวงเนี่ยนะก็เป็นท่านเป็นบุคคลที่ไกลตัวเราเราทำอะไรกบเราทำให้ท่านไม่ค่อยได้เท่าไหร่ยกเว้นว่าทำตัวเป็นประสบก่รณ์ที่ดีแต่กับพ่อแม่เนี่ยเนี่ยค่ะที่เราอายุ5้6 0หรือ70เนี่ยนะนึกเอาไว้บ้างว่าวันนั้นต้องมาถึงแล้วพอ น, นึกแล้วเนี่ยมันจะเราก็จะตระหนักเออพ่อนะเคย บอกนะว่าอยากจะให้ลูกพาไปเที่ยวแม่เคยบอกว่าอยากจะไปเอเที่ยวเมืองจีนซึ่งเป็นบ้านเกิดนะแม่เคยบอกว่าเนี่ยพาไปเมืองจีนนอยากจะกลับไปบ้านเกิดนะเราลูกเนี่ยเออรีบไปเลยเพราะว่าตอนนี้พ่อแม่เนี่ยยังนั่งเครื่องบินได้นะไม่ใช่มาดึงอตอนที่ท่านป่วยแล้วโอ้โหตาย หลายคนเนี่ยเสียใจเพราะว่าปล่อยให้เวลาทองเนี่ยโอกาสทองมาหลุดเลยปล่อยนะเราลึกเสียแต่ตอนนี้นะไม่ใช่การแช่งเราลึกเพื่ออะไรเราลึกเพื่อที่เราจะได้ดูว่าเอออะไรที่เรายังไม่ได้ทำให้ทันบ้างอะไรที่ท่านอยากทำแต่เราบอกว่าไม่มีเวลาทุกครั้งนะ ตรงนี้มันทำให้เราพอถึงเวลาที่ท่านจับจากไปเนี่ยในเมื่อเราทำทุกอย่างให้ท่านแล้วเนี่ยความเสียใจจะมีน้อยความรู้สึกผิดจะมีน้อยและถึงตอนนั้นเนี่ยถ้าท่านถ้าท่านจะจากไปเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าจะต้องยือ้อคนที่ลูกเนี่ยที่ยื้อพ่อแม่เนี่ยเหตุผลหนึ่งเหตุผลสำคัญเลยนะก็เพราะว่า ตอนที่ท่านสุขสบายเนี่ยนะไม่ค่อยมีเวลาท่านไม่ค่อยได้ทำอะไรท่านเท่าไหร่เพราะหมดแต่ทํางานหาเงินหรือว่าทุ่มเทให้กับลูกนะแต่พอท่านพอท่านจะจากไปนี่นะก็ไม่ยอมให้ท่านไปอยกจะยื้อท่านให้นานที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับหลายกรณีมากเนี่ย เหตุผลนะที่ลูกเนี่ยยื้อพ่อแม่เนี่ยนี่คือเหตุผลหลักเวลาคนไข้ป่วยหนักเนี่ยนะแล้วก็มีลูกคนหนึ่งที่ดูแลพ่อแม่เนี่ยเป็นปีๆสิบปีหรือว่าห้าปีหรือปีเดียวก็ตามเนี่ยเจ้าก็ดูแลแม่เต็มที่นะถึงเวลาแม่จะไปนะโดยที่หมอช่วยอะไรไม่ได้แนละ้วเขาพร้อมที่ ที่แม่จะไปอยากให้แม่ไปสงบกขาจะไม่เรียกร้องการยือ้อด้วยการเจาะคอใส่ท่อปั๊มหัวใจเพราะเารู้ว่าวิธี น, นี่ยมันยืดลมหายใจได้ก็จริงแต่ว่าทรมานแล้วก็อยู่คนไข้ามานานจงรู้ว่าไอ้วิธีนี้มันทรมานมากแม่เนี่ยพ่อเนี่ยถูกเจาะจนกระทั่งไม่รู้จะเจ อ, อยยังไงแล้วถึงเวลาที่จะต้องไปนะถึงเวลาที่เขาจะต้องไปก็พร้อมทําใจได้แต่คนที่ไม่พร้อมคือใครนะ ลูกคนที่ไม่พร้อมคือใครลูกที่ไม่ได้ดูแลลูกที่อยู่ไกลลูกที่ประสบความเสียในชีวิตซึ่งมักจะเป็นลูกที่พ่อแม่รักถึงไปไกลเนี่ยถึงได้ไปไกลถึงกรุงเทพถึงไปไกลถึงอเมริกาลูกที่พ่อแม่ไม่ค่ยได้รักเนี่ยก็มักจะไปได้ไม่ไกลมักจะอยู่บ้านเดียวกับพ่อแม่ใช่ไหแล้วจะเป็นคนที่ใกล้ชิดแม่ที่สุดใกล้ชิดพ่อที่สุดนะลูกที่พ่อแม่รักเนี่ยจะไปไกล ไปถึงแคลิฟอร์เนียนะเป็นด็อกเตอร์นะและคณนี้จะไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่างานเยอะไง <c oughs> ใช่ไหมและพอพอพ่อแม่ตายถึงค่อยมีเวลาและพอมีเวลาเนี่ยถึงตอนนั้นจะยือ้อมันมีคมพูดในวงการ p a l ธิวิทแคร์ว่าเนี่ยดอกเตอร์จากแคลิฟอร์เนียลูกสาวจากแคลิฟอร์เนียคนนี้จะเป็นคนที่ยือย้อยื้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ไม่เคยได้ทำอะไรกับพ่อแม่เท่าไหร่ จึงรู้สึกผิดอยาให้แม่ได้อยู่กับตัวเองนานๆแต่ว่าแต่การยื้อนั้นเนี่ยใครเดือดร้อนนะนะคนป่วยทุกคนป่วยเนี่ยไม่หวคนป่วยส่งสายตาบอกปล่อยฉันไปเถอะปล่อยฉันไปเถอะพูดไม่ได้นะเขาส่งสายตาบอกว่าปล่อยฉันไปเถอะแต่ลูกจะยือ้อลูกทำเพื่อใครทำเพื่อตัวเองเพื่อจะได้มีเวลาอยู่กับพ่อแม่นานๆเพราะว่า ชดเชยกับการที่ไม่ได้มีเวลาการยื้อเนี่ยหลายครั้งที่ไม่ได้ทาเพื่อคนไข้นะทาเพื่อตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าตอนที่ท่านยังอยู่ตอนที่ท่านมีสุขภาพดีดูแลท่านให้เวลากับท่านนะมาเยี่ยมท่านพาท่านไปเที่ยวถึงเวลาท่านถึงเวลาท่านจะตายเนี่ยนะในเมื่อรู้ว่า ตงตายแน่และการยื้อไม่ช่วยนะก็พร้อมจะปล่อยท่านไปเพราะนั้นเนี่ยจะไปโดยที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความรู้สึกผิดไม่มีความรู้สึกผิดนี่ทำไมคิว่านี่เรื่องการเรื่องความตางคนที่เรารักเนี่ยนะมันคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นนี่คือความจริงเราต้องยอมรับแล้วเราควรจะเราลึกถึงตั้งแต่เนิ่นๆใ น, น, นที่เราเองก็ยังมีเวลามีกําลังและท่านด้วยและท่านก็มีกําลังมีเวลา จริงๆไม่ใช่พ่อแม่เดียวนะแม่ก็ทั้งลูกของเรานะก็ต้องคิดไว้บ้างเพราะอะไรอะไรก็ไม่แน่เจ็บปวดนะที่นึกถึงนะหลายคนไม่อยากจะนึกแต่นั่นคือการคือการหันหลังให้กับความจริงแลวคนที่หารายความจริงเนี่ยมันจะถูกความจริงนี่ยโบยตีนะคนที่พยายามคิดสวนทางความจริงกัเมื่คนที่พยายามเนี่ยทวนกระแสะน้าที่เชี่ยว ก็ต้องถูกน้ำเนี่ยพัดพาไปจนกรทั่งไ ป, ประทา ก, กับกอะแก่งเจ็บนะความตายคือความจริงที่ไม่มีใครหนีไม่มีใครหนีพ้นรวมทั้งความตายของเราด้วยนะเมื่อเมื่อเราลุกเช่นนี้เนี่ยนะก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับมันนะหลายคนไม่กล้าเผชิญเพราะกลัว แตงจริงนะความตายไม่น่ากลัวเท่าความกลัวตายนะและไม่ใช่เฉพาะความกลัวตายนะสิ่งที่เรากลัวเนี่ยนะแทบทุกเรื่องเลยนะอันออสิ่งที่เรากลัวทุกอย่างแทบทุกอย่างเลยเนี่ยน่ากลัวน้อยกว่าความกลัวสิ่งนั้น บางคนกลัวเข็มอ่ะเข็มเนี่ยนะกลัวเข็มจะเห็นเห็นเข็มนี่ยอ้โหหัวใจเต้นเร็วเลยบางคนกลัวลูกโป่งอ่ะนะบางคนกลัวตุ๊กแกเนี่ยไอ้ตุ๊กแกเนี่ยนะมันมันทําร้ายเราน้อยกว่าความกลัวตุ๊กแกไม่คิดมีเพื่อนนึกบอกกลัวกลัวกลัวกลัวหนูคไอ้หนูเนี่ยมันทําร้ายเราน้อยกว่าความกลัวหนูใช่ไหม มราเพกลัวความมืดแต่ความมืดเนี่ยทําลายเราทาบันทอลเราเนี่ยน้อยกว่าความกลัวความมืดนะ <c oughs> จริงๆแล้วสิ่งที่เรากลัวเนี่ยนะมันมันแย่น้อยกว่าความกลัวสิ่งนั้นนะแล้วก็นี้คือความจริงที่เราไม่ไ ม, ไม่ไม่ตัณนหานแล้วทํำไมเราถึงกลัวเพราะเพราเราไม่ได้เคยทําความเข้าใจกับสิ่งนั้นจริงๆนะ ถ้าเราได้ทำความเข้าใจกับสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นเข็มฉีดยาลูกโป่งตุ๊กแกหรือหนูนะเยวจะพราะว่ามันมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ความมืดเช่นกันและความตายก็ด้วยนัย้นถ้าเราถ้าเราทำควาเข้าใจกับมันความกลัวก็จะน้อยลงถ้าเราทํความเข้าใจความตายให้มากขึ้นความกลัวตายก็จะน้อยลง ถ้าถึงจุดหนึงเราจะพบว่าเราสามารถประเชิญหน้าความตายได้นะด้วยใจสงบไม่เอาความตายของเราหรือความตายคนที่เรารักอีกอย่างหนึ่งการที่เราเรื้อนึกถึงสิ่งนั้นบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเราการเฉลี่ได้อยู่ใกล้ชิดกับสิ่งนั้นบ่อยๆเนี่ยมันทําให้เราคุ้นชินพอเราคุ้นชินแล้วเนี่ยนะความความกลัวก็จะน้อยลงหลายคนหลายคน กลมากลัวในการพูดต่อหน้าฝูงชนนะพอไปพูดต่อหน้าฝูงชนนี่หืสั่นหัวใจเต้นเร็วนะหน้ามืดนะอย่างที่บอกนะไอการพูดในที่ชุมชนเนี่ยนะมันน่ากลัวน้อยกว่าความกลัวที่ต้องพูดตรงนั้นนะแต่ทั้งมาลูกยแล้ว เราจะทําไงจนจะหายกลัวถ้าว่าเราต้องไปพูดต่อหน้าที่ชุมชนทําไงฮะสมมติเราไม่พูดต่อหน้าผู้คนเป็นหมื่นเนี่ยที่สนามรัชมังคลาเนี่ยเลยทําำยังไงฮะเตรียมตัวยังไงฮะแล้วยังไงแค่นั้นไม่พ อ, อต้องซ้อมต้องซ้อมต้องซ้อมถึงแล้จจะซ้อมพูดหน้ากระจก นะทําสุขทฤษด้วยแล้วก็ซ้อมพูดพูดหน้ากระจกในห้องน้าพอพุชคลองเราก็พูดต่อหน้าคนห้าคนสิบคนเพื่อนกันแล้วก็ไปพูดต่อหน้าคนที่ ท, ที่ที่มากขึ้นคนเป็นร้อยไมไ่ทำให้เกิดความมั่นใจความประมาทที่ไม่น้อยลง พวกเรารู้จักการพูดที่เราเท็ดท้องไหมเท็ดท้อง18นาทีนะ18นาทีเนี่ยหลายคนที่พูดได้ดีเนี่ยนะเขาเตรียมเนี่ยนะเป็นเดือนน ะ, ะเฉพาะไอ้ท่องสคริปต์18นาทีนี่เนี่ยนะใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงในการท่องนะแต่ท่องเดียวไม่พอนะ เพราะว่ามันต้องซ้องเนี่ยเพราะว่าท่องไปแล้วเนี่ยพอถึงเวลาขึ้นเวทีมันพูดไม่ออกเนี่ยเอที่จังเนี่ยมันท่องไม่ได้นึกไม่ออกหลายคนเนี่ยท่้งที่เรื่ที่ก็พูดเนี่ยเป็นเรื่องที่เขารู้เขาทามาทํามานานมากนะแต่เวลาไปพูดเนี่ยเท็ทท่องเนี่ยหลายคนเนี่ยเรียกวส่วนใหญ่เนี่ยเขาเตรียมเป็นเดือนนะทั้งที่คนเหล่านี้เนี่นะพูดต่อหน้าชั้นเรียนเนี่ยนะมาคนเป็นอาจารย์นะพูด ไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่พอเท็จทองเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งใช่มเป็นอีกเรื่องหนึ่งพราะว่ า, านักเรียนเนี่ยนะนักหรือนักศึกษาเนี่ยมันต้องฟังแต่คนที่มามาฟังเท็จทองเนี่ยก็ไม่ฟังคุณก็ได้คุณพูดห้าทีไอ้คุณพูดหนึ่งนาทีคุณเริ่มต้นไม่ดีก็เปิดเปิ ด, เ, ปดเล่นเล่นเล่น เ, เล่นเล่นซะเลยนะไม่ฟังนะ่ะเพราะว่า มันมีคู่แข่งคือ i อ h o น e ะไลน์ a c e b o o k ใช่มอันนี้โทรศัพท์เข้ามาแล้ว่ายโทรว <c oughs> ันนี้ไม่ต้องเตรียมเนี่ยนี่ขนาดคนที่ขึ้นเวทีมามรืออีกครั้งก็ยังเตรียมมากเลยไอเรานี่ไม่เคยไม่เค ย, ไ ม, เคยไม่มีใครเจอเจอเจอความตายของตัวเองสักคนเลยทำไมไม่เตรียมใช่ไหมทำไมไม่เตรียมก็ต้องเตรียมจริงอยู่ไม่ไม่เราไม่เคยไม่เคยพูดต่อหน้า ผู้คนในผู้คนเป็นหมือนที่รัชมังคลาแต่การพูดหน้ากระจกนะการพูดต่อหน้าคนสีห้าคนต่อนหน้าคนเป็นร้อยเนี่ยนะมันคนลบรรยากาศกับพูดรัชมังคลาแต่ว่ามันทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นถึงตอนนั้นเนี่ยพอไปพูดจริงๆเนี่ยนะมันก็จะสั่นน้อยลงมันังมีความมั่นใจมากขึ้นเน่ยไอ้อย่างยังคือว่าเนื้อหาที่เราเตรียมมาเนี่ยเราเราเราเร า, เราพร้อม หลายคนก็บอกนะคนที่พูดเท็จท้องนี่บางคนบอกห้านาทีแรกเนี่ยสั่งนะแต่ว่าไอ้ที่เตรียมไว้เนี่ยนะเตรียมถึงคล่องเนี่ยนะมันออกมาเองออกมาเองนะรู้ไหมเวลาเขาเตรียมเขาเตรียมยังไงนะบางคนบางคนพูดไปก็ทำครัวไปพูดไปก็ทําพัวไปจนกทั่งมันมันคล่องอ่ะนะนะนะบางคนขับรถไปก็พูดไปนะ จนทั่งมันกลายมันมันคล่องพอถึงเวลาขึ้นไว้ทีนะสั่นนะแต่ว่าที่เตรียมไว้เนี่ยมันมันมันจำได้จนกระทั่งมันออกมาเองจนทั่งพอห้าพอถึง5ทีเนี่ยมันเริ่มตั้งหลักได้แล้วตอนนี้ก็เริ่มพูดแบบมีชีวิชีวาแล้วนะพูดแบบออกมาจากออกมาจากความรู้สึกแล้วความตายก็เหมือนกันนะเราไม่เคยมีใครไม่เคยเราไม่เคยเจอความตายตอนที่ตายใกล้ความตายมันตกใจนะมันตื่นนะแต่ถ้าเกิดเราเตรียมมาดีนะ เตรียมมันนี่เตรียมใจเนี่ยเตรียมใจหรืว่าการเตรียมให้เตรียมสติเนี่ยนะเตรียมที่จะรับมือว่าเมื่อความตายมาถึงเราจะทํำยังไงนะนะซึ่งก็มีหลักอยู่สองอย่างก็าง่ายๆเนี่ยนึกถึงพระแล้วก็ละทุกสิ่งนะอย่างง่ายๆมีสองข้อเนี่ยนึกถึงพระแล้วก็ละทุกสิ่งไอ้ตอนที่จะตายเนี่ยโหตกใจ เราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อที่ไหนเนี่ยมาอาจะตายขณะหลังจากที่ป่วยเป็นปีๆที่โรงพยาบาลหรือขณะที่อยู่บนเครื่องบินค่ะที่รถ ก, กาลังจะชนคุณมีเวลาเตรียมแค่เสี้ยววินาทีนะหรือเตรียมมีเวลาเตรียมตัวแค่สีห้าวินาทีวินาทีแรกตกใจแต่วิธีที่สองเนี่ยอที่เตรียมมาบ่อยๆซ้าๆมันก็มาอ่ะนึกถึงพระแล้ทุกสิ่งใจก็นึกถึงพระพุท เขารัตนาตะไรแล้วก็พร้อมปล่อยวางทุกอย่างนะหลายคนทำได้นะหลายคนเนี่ยนะพอพอเ็เตรมมากเนี่ยพอถึงเวลานะอย่างมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังขี่จักรยานอยู่อยู่ดีมีมีรถพุ่งมาชนข้างหลังเขารู้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพงแค่ไปถึงวินาทีใช่ไ้ย แต่เขาบอกว่าเนี่ยในช่วงวินาทีนั้นเนี่ยนะสิ่งหน่งที่นึกเกิดขึ้นอย่างแรกคือมันเห็นแสงสว่างแล้วเขาก็เริ่มสวมดมนต์แล้วเขาก็เห็นหลวงพ่อที่เขานับถือแล้วก็ตูโครมโชคดีเขาไม่ตายแล้วก็ตายก็คงไม่เราก็คงไม่รู้เขาเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเขาก็มเขาไม่ตายเขาเลย ม, มาเล่าในช่วงวินาทีนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นได้งไงพ่อะอะไรเพราะเขา ทำบ่อยๆสวดมันบ่อยๆเตรียมบ่อยๆวันนั้นเนี่ยทั้งวันนี้ต้องเริ่มต้นจนการที่เราตระหนักว่าเราทุกคนต้องตายอยอลรัความจริงแล้วก็เห็นว่ามันมีสิ่งที่ต้องเตรียมมันมปสิ่งที่ต้องเตรียมทุกวันนี้เนี่ย เราให้เวลาการเตรียมตัวสอบเนี่ยมากทีเดียวนะสอบข้ามาอมหาทลายเราจำได้ว่าเราใช้เวลาเตรียมเท่าไหร่กี่ปีนะสองปีมัง้งอตัตมาเอ่อเพื่อตมาเนี่ยนะเริ่มเตรียมแต่อยู่มศสีมศสห์แล้วแล้วก็ติวด้วยนะถึงข้นไปสอบแต่สมัยนี้เขาเตรียมตั้งแต่นุบาแล้วนะ <laughs> <laughs> พ่อแม่ต้องเลือกอนุบาลใดนะคือพ่อแม่ต้องคิดว่าเนี่ยหมายถ่ลลายจะเข้าคณะแพทย์หรือวิศวะเนี่ยจะต้องเรียนที่ไหนต้องเรียนที่เตรียมสวนกุหลาบ şey หรือว่ามหิดลใช่ไหมจะเข้าเตรียมเข้าสวนกุหลาบมหิดลได้ก็ต้องดูว่าโรงเรียนมาถมเมื่อไรใช่ไหมเพราะว่าเตรียมกับสวนกุหลาบนี่มันไม่มีถมใช่ไหมก็ต้องเชื่อว่าจะเรียนประถมอะไรใช่ไหมจะเรียนประถมนี่ก็ต้องคิดว่าคุณเข้าอยู่อนุบาลไหนด้วย ใช่ไหพระถ้าคุณค้ า, ารั้บาลที่ดีเนี่ยคุณก็เข้าหลงวงปถมเอ๊เะหปฐมอะไรนะชื่อเข้าสือกุหลาบนั่นได้หรือว่าเทพสรินได้ไปรวามิก่อนฮะไปสวําลิรจริงเหรอ <c oughs> อาสาชันั่งฮ ะ, ะ, ะเกษตเนี่ยาษาภาาไม่ใช่ไหมเออจะเข้าระสามได้ก็ต้องเข้าอนุบาลโดลุโนโทยายเป็นต้นเนี่ยถึงมีโอากาสสอบได้ใช่ป่ะเพราะเนี่ พ่อแม่เตรียมลูกเนี่ยตั้งแต่นุบาลแล้วเพื่อสอบเข้าหมายเท่าไรเวลาจะสอบเวลาจะสอบสัมภาษณ์เนี่ยนะเราใช้เวลาเตรียมเท่าไหร่ใช่ไหมเวลาสอบสมัครงานใช้เวลาเตรียมเท่าไหร่เวลาสอบโทเฟินเนี่ยใช้เวลาเตรียมเท่าไหร่แต่พวกนี้เนี่ยมันทุบมันเที่บไม่ได้เลยกับความตายนะความตายคือการสอบปลายครั้งสุดท้าย แล้วมันสอบได้จริงๆนะคือถ้าคุณไม่ได้เนี่ยก็ตกไปอบายไม่มีสอบแก้ตัวนะสอบเอนทราเนี่ยแก้ตัวได้สอบสมัครงานแก้ตัวได้สอบโทเฟนคุณสอบหลายครั้งได้ใช่ไหมแต่การสอบขั้นสุดท้ายเนี่ยคือความตายเนี่ยเป็นการสอบของวิชาชีวิตเป็นการสอบปลาของวิชาชีวิต คุณไม่มีทางแก้ตัวแล้วตกคุณตกเลยไม่มีการสอบซ่อมไม่มีการซ้ําชั้นไม่มีการสอบใหม่แต่สิ่งสำคัญคือว่ามันจะสอบเมื่อไหร่ไม่รู้วิชาสุดวิชาสอบครังสุดสอบแรกของวิชาชีว์เนี่ยสอบเมื่อไหร่ไม่รู้สอบเป็นชั้นี่รู้ใช่ไหมสมัครงานนี่รู้ใช่ไหมไง แต่สอบวิชาชสอบรล่วิชาชีวิตเนี่ยไม่รู้นะจากคนไม่เตรียมฮะว น, นยังไม่คิดจะเตรียมเลยไม่คิดจะให้เวลากับการเตรียมเลยนะสอบเป็นช้าเนี่ยสองปีหรือว่าสิบปีสอบโทเฟิลเนี่ยหลายเดือนนะแต่สอบวิสอบไล่วิชาชีวิตเนี่ยไม่มีการเตรียมอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเศร้าเป็นสงฆ์กรรมของผู้คน ที่เรว่าประมาทเพราะคนสุญญ่าตัวเองเนี่ยจะไม่ตายไงรู้ว่าจะต้องตายแต่ว่าใจเนี่ยมัน ม, มันไม่รับนะมันใจมันจะปัสชนะความเป็นอมตะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอมันไม่สายนะที่เราจะเพื่อรทุกคนตรงนี้ยังไม่สายเรามีเวลาเตรียมนะ เตรียมด้วยการทำความดีสร้างบุญสร้างบุญศนไม่ทำชั่วแล้วก็ฝึกเจตฝึกใจไว้จเจริมอนักสติเสมอซ้อมตายอย่างที่ที่คุณได้เล่าเนี่ยเทศนรมาเล่าคืนที่สอนถึงการซ้อมตายนะซึ่งมีหลายวิธีที่เรามามาทำานี้ก็เป็นการเป็นการอายอมรับถึงความไม่เที่ยงของตัวเอง แต่ความไม่เช่งตัวเองเนี่ยมันยังยอมรับง่ายมากกว่าความไม่เชื่องของคนที่เรารักอาตมาเนี่ยทากิจกรรมซ้อมตายประมาณอย่างน้อยครึ่งหนึ่งบอกว่าพร้อมตายได้คืนนี้อย่างน้อยนะอย่างในที่คราวนั้นก็อย่างน้อยครึ่งหนึ่งเกือบหม ด, หมดใช่ไหมแต่วันรุ่งขึ้นทากิจกรรมซึ่งไม่ได้ทานะวันรุ่งทำกิจกรรมนะ ของเจ็ดอย่างใครทำไหมของเจ็ดอย่างเนี่ยเมื่อคุณต้องสูญเสียของที่คุณรักหรือคนที่คุณรักเนี่ยเชื่นสูญคุณให้เขาเลือกให้คนคนในเรื่องมาเจ็ดอย่างของของรักคนรักคืกคออะไรของคนเขาเลือกพ่อเลือกแม่เลือกลูกนะใช่ไหมแล้วก็กิจกรรมคือว่าต้องสูญเสียไปเทไรอย่างเทไรอย่าง โอ้บางคนบอกไม่เล่นแล้วพอทำได้3 า, า, ามอย่างไม่เล่นคือเอาไปทำกับภรรย่างไรกับคนไข้เขาบอกว่ามันบีบอย่งเลยนะบีบบางคนร้องไห้อนะเราจะไม่รอมาเพราะาว่าอาจจะไปอาจจะไปทำนนะจริงๆนะกับพวกเราก็ได้ในโอกาสต่อไป <c oughs> บางคน <c oughs> โกงนะ เอาคน ท, ที่เอาคนที่สลายไปแล้วเนี่ยเอามาใส่ใหม่ทำคนยือ้อเนี่ยเวลายือ้อเวลาจะเอ า, เอากระดาษเนี่ยคือกระดาษแต่ละคนแต่ละคนจะเป็นจะเขียนใส่กระดาษพอจะให้เอาออกดึงออกเนี่ยยื้อเอาไว้ส่วนใหญ่ทําใจไม่ไดนะแ้แล้วเคยถามว่าเคยคิดบ้างไมว่าคนที่เรารักจะตายจากไปโวมใหญ่บอกไม่เคยคิดเลย แต่มันคือความจริงไม่ใช่เลยนะคนที่เราล้างเนี่ยไม่มีใครสักคนจะอยู่ความฟ้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมไว้บ้างนึกไว้บ้างมันไม่ใช่แช่งหรอกเรานึกเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าขณะที่ท่านยังอยู่ยังมีชีวิตยังมีลมหายใจเนี่ยนะมันคือโอกาสทองที่เราจะทําสิ่งดีๆให้ท่านอย่าไปให้โอกาสทองหลุดไปเพียงเพราะเราไม่กล้า น, นึก ในการนึกถึงวันที่ท่านจะจากไปก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะ